ให้แต่อยู่วันหลายวันไปอยู่ภูเขาธงก่อสอนธรรมเป็นอาชีพปฏิบัติธรรมเป็นอาชีพมีธรรมเป็นที่อาศัยมีเบี้ใน เนเกณฑ์ขี่วัดตัวเองอยู่เสมอยเยอะแยะชีวิตเราหนี้สิ่งที่จะมาทำให้เกิดคุณามความดีมากมายความดีจะใช้ได้ทุกโอกาสคงเส้นคง ว, ว่ามีธรรม ว่าเป็นเรื่องของกายมีธรรมก็เป็นเรื่องของจิตใจาขาดธรรมขาดศีลขาดธรรมก็เป็นเรื่องของกายของใจมันก็อยู่ที่เรานี้ไม่มีการมีเวลาปฏิบัติตีมันก็ได้มีดีเดี๋ยวนี้ปฏิบัติตรงมันก็พ้นจากกันที่ผิดเดี๋ยวนี้ปฏิบัติออกจากทุกข์ก็พ้นจากความทุกข์ได้เดี๋ยวนี้ ปฏิบัติเป็นสถาบันก็คงเส้นคงวาอยู่เสมอไม่ฟูไม่แฟบนี่คือชีวิตของเราที่เราจะใช้ให้เป็นประโยชน์แต่เราไม่ใช่อย่างนี้มันก็ะลีไถลิ่ไปทางอื่นต้องมีธรรมมีศาสนามีวิยัยเป็นขอบเป็นเขต ก็จะได้ถึงที่จุดหมายปลายทางของที่เราไล่ชีวิตที่ในเกิดมานี่ต้องเกะต้องเก็บต้องตายถ้าไม่หัดไม่ฝึกไม่เตรียมเอาไว้ก็เสียชาติเกะตั้งแต่เดี๋ยวนี้เจ็บตั้งแต่เราวนี้ตายตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไปเรื่อยๆ ใจในความหลงใจในความโกรธใจในความทุกข์ใจในความสุขใจในความล้าความชรใจในความพอใจความไม่พอใจกี่รบกี่ทุกข์หลงกี่ข้างกี่โหนทุกข์ขี่ข้างกี่โหนก็จิเลตัญหาลาคะกี่ข้างกี่โหนก็เกิดดับเกิดดับอยู่เช่นนั้น ถ้าเราหัดปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัตบิตอกจากทุกปฏิบัติสมควรก็จบไปเลยจริงเหล่านี้จะไม่มีไม่ต้องเก็บต้องเก็บเวียนวายตายเกิดอยู่ที่นี่ชีวิตเรจบเป็นจึงจำเป็นต้งตัวใครตัวมันปฏิบัติทำแตเราก็มีเพื่อนมีมตร ม, มีที่ ตึงอาศัยก็จะมีชีวิตอยู่เพื่อการนี้มีเวลามีโอกาสโดยยินได้ฟังมีเพื่อนมีมิตรไม่เปลี่ยวเดียวดายโดยเฉพาะปฏิบัติธรรมนี้เป็นก่อเป็นกรรมขึ้นมาทันที มีสติไปในกายมีสติเป็นในความคิดตัวใหญ่ๆเราก็มีกายมีความคิดคือจิตใจทวานของกายคือมันเคลื่อนไหวทวานของใจคือมันคิดนึกมื่อดูแลมันเช่นนี้มีสติดูแล อะไรที่เกิดกับกายที่มันเคลื่อนไหวให้รู้หัดให้มันโตให้มันติดกันให้สติติดกายให้สติจิตใจให้ใจจิตสติให้กายจิตสติยิ่งมีวิชากรรมาฐานก็ยิ่ง มีเส้นมีบรรทัดขีดเขียนลงไปวิชากรรมฐานก็เป็นวิชาที่พรให้เราได้เรียนจบเรื่องกายเรื่องใจได้เหมือนเราเรียนหนังสือมีหนังสือให้เรียนเรียนคณิตศาสตร์ปีเลขให้เรียนเรียน ธิรปกรรมหัตกรรมก็มีสิ่งที่ให้เราได้เรียนก็เรียนจบได้เอาไปใช่เป็นอาชีพได้แต่เรียนที่ได้ชีวิตจริงๆมันเรียนที่กายที่ใจนี่เรียนพื้นฐานการเกิดใจเจ็บตายเราต้องฝึกหัดตัวครตัวมัน อยาทำใกันผิดพาดโอกาสนี้ให้สนับสนุนกันเ่็นเพื่อนเป็นมิตรแค่การนี้การแต่พอที่ชวนก็ได้ชวนกันรู้อย่าชวนกันหลงจากคําคพูดจากการกระทําที่ทําให้เกิดเพื่อนหลงเพื่อนทุกข์ การโทดการกระทาที่เกิดจากกาจากใจให้เป็นเครื่องช่วยมิช่วยเพื่อนช่วยตัวเราด้วยช่วยเพื่อนด้วยให้เกิดความรู้จักตัวเดชแยกไปหมดเลยครัปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีฤดูไม่มี แรไมีทั่วเหมือนกับอาชีพอื่นๆอาชีพที่ได้ชีวิตเนี่ยไม่มีอาชีพไหนที่สมบูรณ์เท่ากับอาชีพชีวิตที่ศึกษาเรื่องชีวิตได้ชีวิตขึ้นมากำเนิดเกิดจากภูธ คือสติปัญญารู้คือมาไปในกายรู้ไปในจิตใจที่มันคิดขึ้นมาเหมือนกับหวานโพธิลงไปในชีวิตก็จะเกิดปัญญาเป็นพุทธเหมือนกัรเกิดเจเจ็บตายไม่ใช่กำเนิดเกิดจาก อาภูนตัณท์เช่นสังเสริฐชาเกิดจากเท่าใครอันทชาเกิดจากคันอุปาติกะเกิดขุดขึ้นอ น, นั่นไปนกำเนิดเกิดเพื่อแก่เจ็บตายแต่การเกิดเป็นพุทธะเกิดต่อจากกายจากใจนี่ไปมันได้กายได้ใจมาเพื่อการนี้ถ้าเราไม่ใช่มาการนี้ก็ แก่เจ็บตายไปเป็นทุกข์มีกันอยู่แล้ววมอยู่แล้วเอามาฝึกกรรมฐานกับพร้อมทันตีสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจที่มันนั้นผิดก็พร้อมที่จะเป็นใช่หรือูกได้ทันที ไม่มีบุคคลที่หนึ่งที่สองทำไมผิดให้ถูกได้มีคชวนตัวมากที่สุดใจ่วนตัวได้มากที่สุดคือกายคือ ใ, นใจนี่แต่ความโกรธไม่ต้องขอญาตจากใครให้เพื่อเปลี่ยนโกรธให้เป็นความไม่โกรธความทุกข์อะไรต่างๆที่เกิดกับลายกับใจนี่ไม่มีการขอญาตไม่มีการ วัตถุทิ่งที่สองบุคคลที่หนึ่งที่สองมาช่วยช่วยตัวเองสะดวกที่สุดคนอื่นใครที่ไหนช่วยไม่ได้จึง้อยกายได้ใจได้รูปได้ น, นามนี่มาาเรามา กอยอดใหม่เอากายเอาใจที่ได้มานี่กำเนิดก็มาจากบิดามารดานี่จะได้อานิสงส์หลายอย่างทั้งตอบแทนบุญคุณของผู้ให้กำเนิดอา น, นิสงส์หลายอย่างปฏิบัติธรรมนี่ เป็นทังทานเป็นังศีลเป็นทั้ ง, นงนเนคขมมะดำลิออกจากความชั่วเป็นการเอามาสร้างปารามีได้ทุกปารมปาปร ม, มทีทานเป็นชินเนคขมมะสัเจธิษฐานคติสติสมาธิปัญญาเนความพร้อมติม มันเต็มด้วยบารามีเราก็ชีวิตที่สมบูรณ์เออโโกิดดอกออกผลเย็นเรามาสร้างนี่นรูนี่เป็นบารามีเราเนี่ยมันหลงเพวงมที่รู มาละคือพร้อมอมที่ใช่ึงสิ่งที่ปิดเป็นสิ่งที่ถูกได้ถ้าเราไม่สร้างว่ามันก็ไม่มีใช่เราไม่มีบุญจะให้เกิดบุญจะให้บุญคนอื่นมันก็ไม่ได้ไม่มีศีลจะให้ศีลคนอื่นก็ไม่ได้ไม่มีทำจใจทาถึงคนอื่นก็ไม่ได้ เราไม่มีคุณงามความดีจะตอบแทนบุญคุณบิดามารดาก็ไม่ได้ปฏิบปธธรรมก็ทําให้มันดีมันจึงดีมันดีได้เมื่อเกิดดีขึ้นมาก็ใช่ดีไปต่อดีอีกมากมายลูกเป็นคนดีพ่อแม่ก็มีความสุขเพื่อนก็มีความสุขใครๆก็มีความสุข เราะอรเศีทั้งหลายก็พึ่งพาอาศัยปฏิปธรรมนี่เป็นการเริ่มที่จะทำให้เกิดความดีเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นการรักษาศีลเป็นการ อะไรมากมายมีสติมันก็ละความชั่วมีสติก็ทำความดีมีสติจิตก็บวชสุดมันเป็นละความชั่วทำความดีจิตบสุดก็กลายเป็นศีลก็เป็นสมาธิเป็นปัญญาเหมือนที่เราสอานที่ยาพรในองค์มรก มีแดอย่างนั่นเกิดจากสิลเกิดจากสมาธิเกิดจากปัญญานี่แหละอันอันสิน่สมาธิปัญญาที่เป็นไตรสิกาเนี่เกิดจากสติไม่ใช่เกิดที่อื่นได้ถ้าม่มีสติไตรชิกาก็ไม่เกิด ตาจิกขา ม, มีก็ไม่มีองมัดมัดเป็นผลของตาจิกขาตาจิกขาเป็นผลของสติสติเป็นเหตุให้เกิดตาจิกขาสติเป็นเหตุให้เกิดองค์มัดขึ้นมาถึงมัดผลนิพพานขึ้นมา เรามีติตไปในกายแล้ก็คือรักษากายทั้งหมดมีติตไปนในใจคือเวลามายึดกับควบคุมทวารเี่ดเกิดบาปอุศนได้แล้วก็บว่าเราชวดองค์มรรคเทือนละ เปลี่ยนไม่ให้อกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเปลี่ยนสร้างกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เกิลินมากขึ้นจนถึงสมมาสมาธิตรรหมายปลายทาง ไม่ใช่อยู่ที่ใดเพียงแต่เรา ม, าม่มีวิชากรรมฐานนี่ฝึกตัวเองนี่ก็ไปกันเป็นพวงไปเลยหนักชั่วธรรมได้จิตบริสุทธิ์เกิดเป็นสินเกิดสมาธิปัญญาขึ้นมาสินก็รักษากายสมาธิก็รักษาใจปัญญาก็รู้ลกเป็นประโยชน์จอ อ, อื่นไปมากมาย เห็กรวมกัดจัจกิเลสสมาธิของจัดกิเลสปัญญากับจัดกิเลสก็ถูสมาธิไปสิสังเกตหมายปลายทา ธรรมะสวะพระวาสวะอวิชาสวะาตั้งบังภพรูปภบนามภพอารูปภพอวะที่เกิดขึ้นไม่เกิดอีกโอ้เลอะชุบเลอะทุกข์ต้งหมดมีได้เห็นอวะที่ มันเห็นสิ่งเหล่านี้ก็คือสตินั่นแหละจุดหมายปลายทางเห็นไม่เป็นสิ่งที่เกิดกับไปกับใจทั้งหมดเห็นมาทั้งตั้งแต่ยกมือเคลื่อนไหวอะไรที่เกิดเกิดไปได้รู้หมดอะไรที่เกิดกับใจได้รู้ผ่านไปผ่านไปผ่านไป าวาที่ลูกไปจางแต่เบื้องต้นเป็นสติธรรมดาเป็นสติปัฏฐานเป็นมหาสติมากขึ้นมีกำลังมากขึ้นเมื่อจริงเหรอเมื่อสติมันมีกำลังมากขึ้นมหาสติมากขึ้นก็จะมีกำลังอื่นอะไรไดทั้งหมดเหมือนน้าจากแม่น้าต่างๆในโลก นี่จะยอมไหลลงไปสู่ทะเลมหาสมุทรจะกลายเป็นน้มเค็มาจากไหนก็ตามถ้าไหลลงสู่มหาสมุทรก็กลายเป็นน้มเค็มนั่นเป็นวัตถุ เราพึกปฏิบัตินี้ได้จับเช่นทางได้มเอียงไปไหลไปถูกมักถูกผลจริงๆห้ามไมาย่ยูเช่นเราหาดเวลามันหลงได้รู้เวลามันทุกข์ด้รู้เวลาเกิดอะไรกับกากับใจได้รู้ จะห้ามไม่ไม่รู้ไม่ได้คําว่ารู้วันนี้จะเอาความผิดความถูกความสุขความทุกข์ม้วนขวังกา้นความรู้เป็นไปไม่ได้เหมือนน้ําทั้งหลายแลหลงสู่ทะเลใช้เป็นดันอื่นไม่ได้ต้องเป็นน้ำเข็มในท้ำหงษ์ชมุดจะตีนี่คำว่ารู้ตัวนี้รู้ึบตัวนี้ ไม่ต้องไปหาคําตอบไม่ต้องมีคําถามสัมผัสได้เลยสัมผัสความหลงสัมผัสความรู้สัมผัสความทุกข์สัมผัสความรู้ตรงกันข้ามของตรงกันข้ามสิ่งที่เกิดกับกายกับใจนี้มีตรงกันข้ามทุกเรื่อง เมื่อมันตรงกันข้ามออเราก็เห็นตรงกันข้ามปติเป็นการเห็นตรงกันข้ามไม่ใช่เห็นไปเป็นอันใดอันหนึ่งคือเห็นอันเดียวตกงกันข้ามไปเลยจึงเป็นองค์มักยังเป็นกลางของตรงกันข้าม ก็จะไม่ลีไม่ลับแล้วบผู้ที่อยู่ผู้ที่เห็นตรงกันข้ามหาอะไรที่เป็นตรงกันข้ามมันก็ไปเห็นอันใดเห็นอันหนึ่งก็เห็นอันหนึ่งมันจึงเป็นคําเป็นองค์มากกว่าพราลสุขเสื่อได้เพราลทุกขเสื่อได้คือภาวะที่เห็นอย่างนี้ จังเข้าสู่พระนิพพานเพมันตรงกันข้ามมันลอยอยู่ตรงกลางเห็นของสองอย่างตรงกันข้ามมันก็เป็นอิจฉะหรือันใดเห็นเห็นอันหนึ่งก็เห็นอันหนึ่งก็ตรงตรงกันข้ามอย่างนี้แล้วเกิดภาวะที่เห็นอย่างนี้ ภาวาที่เห็นเช่นนี้ผู้ปฏิบัติย่อมสัมผัสเองย่อมมีได้เองจากการฝึกฝนตนเองมาจบไวๆวรรลุธรรมไวๆอยากให้เองนไปทางหนึ่งเห็นสุข ก, ก็ไปสุขเห็นทุกข์ก็เป็นทุกข์มันไม่ไวอันนั้นไม่ตรงกันข้ามไม่ได้เห็นแต่แว ติดฝังสงย้ยติดฝังขวายังมีพระราหันบางลูกนั่งอยู่ฝังแม่น้าเห็นธนทุน่งไหลตามแม่น้ามาบางท่องก็ติดฝังสร้ยบางท่องก็ติดฝังขวาธนได้ติดฝังส้ายมานเอาไปชำแหละ น, นั่นโดยติดฝังขั้วามารเข้าไปสำแหละไม่ถึงมหาสมุทรไม่ถึงทะเลวางท่อนก็ไหลล่องไปไม่ติดฝัง้ายไม่ติดฝังขั้วโดยถึงมหาสมุทรก็มาเปรียบเทียบกับชีวิตตัวเองได้บรรลุธรรมเลยทีเดียวเพียงจะเห็นท่อนไม้ไหลาตามแม่น้ํา ออกไปออกไปเหมาือากับชีวิตของเรานี่เอามาประกอบกันมาลดทำทําได้อย่างนั้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเกิตก็หลุดพ้นได้เดี๋ยวนี้สัมผัสกับภาวะที่หลุดพ้นสองอย่างนั่นอะว่าเราสุขเราทุกข์เสียได้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้ มีสติเห็นหลงเห็นลูกเดี๋ยวนี้เห็นตุเห็นลูเดี๋ยวนี้เห็นอะไรที่มันเกิดกับไปได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อย่าให้มันมีรสชาติควงมสงบก็เป็นรสควงพุ่งซ้านก็เป็นรสให้เห็นมันนี่มันจะล่องไปตรงกลางๆเดินตรงมัดไปเลย ที่ปฏิบัติธรรมย่อมเห็นสองอย่างอยู่ในข่าวเดียวกันไม่ไม่ไม่ไม่ฟรีไม่ไมไมไม free, ไมจืดไม่จางเป็นงานเป็นการทันตีฝึกกรรมาฐานมีสติไปนในกายเทียมเมื่อเกิดก็มีสติไปนในกายอยู่แล้วก็ถูกแล้ว เลื่อนไว้ก็รู้แล้วเลินก็รู้แล้วไม่มีอะไรที่จะไม่รู้ก็รู้อย่างนี้ก็ถูกแล้วเออรู้ันนี้มากรู้มากรู้มากรู้ไปบางทีสิ่งาต่างก็จะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับมันก็หลุดไปหลายอย่างมองขึ้นหลังก็สูงไปเฉลี่ยวต่ำลงไปเฉลี่ยวแต่ว่าที่รู้อันนี้ไม่ใช่เพระาะที่รู้แบบมเดียว าเกิดการเห็นอะไรนั่นเห็นการเห็นใจเห็นรูปเห็นนามสมมุติเห็นมันหยาดเห็นวัตถุเห็นอาการดูอันเดียวอันเดียวก็แตกฉานแตกฉานได้กรรมฐานเป็นวิชาที่ไม่นิ่งไม่วิชาที่ทะหลง นันก็ข้าวที่เราทานลงไปไม่ใช่ข้าวเมื่อไปสู่กระเพาะสู่ลอมไส้กลายเป็นตลังงานเป็นเลือดเป็นเนือ้อเป็นชีวิตไปยารักษาโรคยินลงไปฉีดเ้าไปในเช่นเลือดลงไปเข้าไปทำลายเชื้อโรค ทมที่เราปฏิบัติอยู่นี่ยิ่งกว่านั่นเลยว่าส ก, กัตตว่าพุทธรัตตังทรมรัตตังสังครัตตังมันเป็นธรรมจริงๆความรู้สึกตัวนี่ไม่ใช่เป็นอากรรมเรหลงว่าเป็นอาธรรมจริงๆไม่ใช่ธรรมเราจะให้ชีวิตเราเป็นเช่นไร กับจริงเรานี่นาทีนี้ช่วโงงนี่ก็หลงให้เห็นโกรธเห็นทุกข์เห็นใ ห, เหนกใหเห็นอยู่พอใจไม่พอใจใหเห็นอยู่หรือด้านไปแล้วดูตรงนี้ได้ไหม ใสจ่ใจชักหน่อยให้แยบคายชักหน่อยมาจะมีก็เรื่องอย่างนี้แล้วเงินหาเงินาหาทองจะมีเงินไม่ทองก็จะเก็บรก็จกรักษารก็จักหาอยู่อย่างเนี้ก็หยันอยู่นี่ภาวนาคือขยนันรู้อยู่เนี่ ก็มีต้องรักษามีต้องสร้างอยู่นี่รักษาความรู้ไปเรื่อยๆไปสร้างความรู้ไปเรื่อยๆไปจากสติจำนาสติลกลายเป็นมหาสติมากรู้มากรู้เข้าไปก็ความรู้เนี่ยก็ได้ใช้ในการในิจใจเราดอมีเงินก็ได้ใช้ใจ ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะทุกคนมีเสมอภาคมีกายมีใจรูปแบบของการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันหมดมือเคลื่อนไหวกู้แขนเข้ารู้สึกเย่อฉันดอกรู้สึกทำได้ทุกคนคิดถึงพิมพากลับมาตุสึกเย้า ทำอย่างนี้คิดถึงหลุหนกลับมาคิดถึงภาษาจารุดูกลับมาคิดถึงราชสินเสด็จคานกลับมาคิดถึงพระเจ้าจากักรพรรดิกลับมาเราคิดถึงใครยิ่งใหญ่ขนาดนั้นไหมมีภาษาจารุดูไหมนี่จกักรพรรดิไหมใครจะ ก็จะคิดมากกว่ากันนะมีราหุนมีพิมพา์ามีสนมกำนันนายเคยเป็นสุกุ้มสุกุ้มอรัญชาติเสี <laughs> ยงไหนก็ไม่มีนะอ่าก็สาระความคิดเฉย พระเจ้าจากักรพอยู่ในกำมือของพระองค์เจ้าพ่าชายหลังทีเราหุดนยังมาเอามาคิดเรื่องนี้พุ่งสรางเรื่องนี้พูดกับพระสวัสดิ์นั่งคุยกันโอ้โหเรา ราชบิดาของเราถ้าไม่มาบวชเนี่ยเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิอยู่ในกำมือเราเรอหมุนฐานะเป็นลูกจะเป็นดันงลายมาเปี่ยเพียกับตัวเองดูสิมาดูจีวรก็เป็นมาดูเอ้ก้าราชบิดาของเราปเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเราจะดูฐานะแบบไหนก็ คิดไปพุ้งซ่อนพิ่งก็สวัดระสวัดก็มาเล่าพระริเจ้าฟังพระรเจ้าก็มาสอนเราหุน่นตรงซ้อนเปลยนเธอที่อย่างนั้นเราหุ่นเอาน้ำมาลางทาออเท้าเทน้ำออกพระเจ้าบอกว่ายี่แลก็เทน้ำออก น้ามในกาลายังมีไหมไม่มีพระเจ้าข้าเธอก็เช่นเดียวกันความดีของเธอที่มันศีนเธอที่ผิดไปไปคิดแบบนั้นนั้นเกิดน้ามในกาลาหมดแล้วศีลเธอลทะลุแล้วพ้อยแล้วด่าแล้วมีประโยชน์อะไรนั่งสอนเธอสอนพลอห ม, มุนเราเนี่คิดอะไรคิด เรื่องอะไรทำไมเสียวเวลาทอนไมาเทียนติดฝังท้ายฝังขวามาย่อมไม่ไหวไปไวไวลู่ไหวออมันคิดไปอะไรมันหลงอะไรมันสุขอะไรกลับมาลู่เมารู่มา ร, มารู่เนี่ยต่อหน้าต่อตาเป็นงานเป็นการอยู่นี่ถ้าไม่ทำมันก็ไม่เห็นจีงเหล่านี้ไม่มีความรู้ก็ไม่เห็นอะไร มีแต่เป็นไปเลยถ้ามีความรู้ก็จะเกิดการนเห็นขึ้นมาสิ่งที่เกิดกับปากับใจถ้าไม่มีความรู้ ก, ก็สิ่งที่เกิดกับปากับใจก็เป็นไปเลยสุขก็สุขทุกข์ก็ทุกข์หลงก็หลงรักก็รักพอใจก็พอใจไม่พอใจก็ไม่พอใจอ น, นั่นเรียกว่าคนไม่ได้ปฏิบัติก็เป็นอยู่เช่นนั่นเมื่อไรจะผ่านได้ก็ไม่ไม่โอกาสผ่าน ต้องเกิดแก่เจ็บตายแน่นอนผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างนั้นมน่าจะไปประมาทเป็นเรื่องที่จะน่ารีบด่วนชั่งหน่อยเห็นพิเห็นภัยนี้มันเกิดขึ้นเจ่นี้ก็หลงแค่นี่ก็สุขเค่นี่ก็ทุกข์แค่นี่ก็พอใจแค่นี้ก็ไม่พอใจอยู่เช่นนั้นหรือมันมีอะไรที่มันดีกว่านี้ ผ่านไปให้รู้จักตัวให้รู้จักตัวอยู่นี่เออหรอเขี้ยรน่ะอะสมควรเียวเวลากาบหาว่า